بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات ابن الخطاب الإسلامية بالدمام تواصل معك أخي الكريم المصحف الشريف ل ل أ خ سعد الغامدي الشريط الخامس عشر ويحتوي على جزئي الذريات ا والمجادلة نأ ن م بود أ ج ز ا ر ي ا ت بود ن ี้เป็นบ ي มัคยามีหกองค์กา ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานการเสริมสร้างการศรัทธาและเดชะนุภาพขอรับผู้ทรงเอกาผู้ทรงพิชิตโดยเด็ดขาดบทนี้เริ่มโดยการกล่าวถึงลมที่พัดฝุ่นให้กระจัดกระจายผิววอนกล่าวถึงเรือเดินสมุทรในท้องทะเลได้เคลื่อนไปอย่างสะดวกโดยเดชะนุภาพของพระผู้ทรงเอกากล่าวถึงเมฆที่อุ้มฝนและกล่าวถึงมาลัยกาผู้บริสุทธิ์ผู้ถูกมอบหมายทำหน้าที่ต่างๆการชุมนุมในวันกียรมะ จะเกิดขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัยและแน่นอนการฟื้นขืนชีพและการตอบแผนก็จะมีขึ้นโดยปราศจากการแคลงใจบทนี้ได้เปลี่ยนเรื่องมากล่าวถึงพวกกุฟฟาตมักกะบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลกุรอานและวันปรอโลกโดยกล่าวที่แจงถึงสภาพของพวกเขาในโลกนี้และผลที่ตามมาของพวกเขาในปรอโลกโดยที่พวกเขาจะถูกนํากลับไปยังไฟนรกยานนำํำ เพื่อเป็นการลงโทษอย่างสาสมบทได้กล่าวถึงบรรดาผู้ศรัทธาผู้มีความยำเกรงต่ออลัลลอฮ์และสิ่งที่อลัลลอฮ์ได้จัดเตรียมไว้ให้แก่พวกเขาซึ่งความสุขสําราญและความมีเกียรติในประโลกเพระพวกเขาอยู่ในโลกนี้เป็นผู้กระทําความดีบทได้เปลี่ยนเรื่องมากล่าวถึงความเป็นมาของบรรดารอซูลผู้มีเกียรติกล่าวถึงพฤติ ก, กรรมของประชาชานที่ละเมิดฝ่าฝืน แสดงการโอหังและสิ่งที่จะประสบแก่พวกเขาคือการถูกลงโทษและถูกทาลายอย่างที่น่าบทได้จบลงด้วยการชี้แจงถึงจุดมุ่งหมายของการสร้างมนุษย์และยินนั่นคือการรู้จักเอาล้อการเคารพพักดีต่อพระองค์การให้ความเป็นเอกภาพต่อพระองค์การให้ความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์องค์เดียวและการผิดหน้าสู่พระองค์ด้วยการแสดงความใกล้ชิดและการเคารพพักดีต่อพระองค์ ในทุกรูปแบบด้วยพระนามของเราผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอขอสาบานต่อลมที่พัดฝุ่นให้กระจัด ก, กระจายเปลีววันขอสาบานต่อเมฆที่ประยุงฝนอย่างหนักขอสาบานต่อเรือเดินทะเล ที่่่แลนไปอยยาางสะสะดบขอสาบานต่อมาลายกาผู้จัดสรรการงานถ้าจริงสิ่งที่พวกเจ้าถูกสัญญาไว้นั้นเป็นความจริงอย่างแน่นอนและแท้จริงการตอบแทนจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนขอสาบานต่อฟากฟ้า ที่มีวิถีทางโคตรจร อ, อย่างมากมายแท้จริงพวกเจ้าอยู่ในคำพูดที่ขัดแย้งกันผู้ที่หันเหะ อ, ออกจากสักธรรมนั้นเขาจะถูกให้หันเห อ, ออกจากการสถาผู้ที่กล่าวเท็จแกน บ, บีจะถูกสาบช่าง คือบรรดาผู้ที่พวกเขาอยู่ในการสับสนหลงลืมเรื่องวันพราโลกยอนพวกเขาจะถามว่าวันแห่งการตอบแทนจะมีขึ้นเมื่อใดวันที่พวกเขาจะถูกทดสอบด้วยไฟนรกดดลีบ พวกเจ้าจงลิมรสการทดสอบของพวกเจ้าเถิดนี่คือสิ่งที่พวกเจ้าเร่งเร้ามาันถ้าจินบันดาผู้ยังเครงจะได้อยู่ในสวนสวรรค์อันหลากหลายและมีตาน้ำอาคิดีันมาอูตาัุมคร่บจะได้อยูุ่มกานสวรรค์าลิกรายและมีตาน พวกเขาจากักปิติยินดีในสิ่งที่พระผู้อภิบาลของพวกเขาได้ประทานให้แก่พวกเขาแท้จริงก่อนหน้านั้นพวกเขาเป็นผู้กระทำความดีมมมพวกเขาเคยหลับนอนเพียงนิดหน่อยในเวลากลางคืน และในยามรุ่งสางพวกเขาขอพรโทษต่อพรหมและในทรัพย์สินของพวกเขาจัดไว้เป็นส่วนของผู้เอ่ยขอและผู้ไม่เอ่ยขอและในแผ่นดินนี้มีสัญญาณต่างๆสำหรับผู้ศรัทธาเชื่อมัน่น และในตัวของพวกเจ้าเองพวกเจ้าไม่เห็นดอกหรือและในฟ้าฟ้านี้มีปัจจัยยังชีพของพวกเจ้าและสิ่งที่พวกเจ้าถูกสัญญาไว้ ดังนั้นจึงขอสาบานต่อพระผู้อายุบาลแห่งชั้นฟ้าและแผ่นดินว่าแท้จริงสิ่งที่ถูกสัญญาไว้นั้นเป็นความจริงอย่างแน่นอน สเสมือนกับที่พวกเจ้าพูดกันเรื่องราวของแขงกผู้มีเกียรติของอิบราฮีมได้มาถึงเจ้าบ้างไหม่เมื่อพวกเขาได้มาหาเขาอิบราฮีมพวกเขากล่าวทักทายว่าส <med> ันติเขาก็กล่าวตอบว่าสันติ วกกทท่่่านนนเป็ลุมชีแปลกหน้าแล้วเขาอิบอริฮิมก็รีบเข้าไปหาครับครัของเขาและได้นลูกวัวอ้วนซึ่งย่างเสร็จแล้วออกมาและได้วางมันไว้ข้างหน้าพวกเขาโดยกล่าวว่าพวกท่านไม่รับประทานหรือ فأوجس منهم خيفة قالوا لا ت خ و ب ه เมื่อพวกเขาไม่รับอาหารอิบราฮิมรู้สึกกลัวพวกเขาพวกเขากล่าวว่าจะกลัวเลยและได้แจ้งข่าวดีแก่เขาเกี่ยวกับลูกคนหนึ่งที่มีความรู้ ف أ ق ب امرأته في صبّة فصّكت وجهها وقالت عجوز النّقيم แล้วปริยาของเขาก็ได้ออกมาตะโกนด้วยความดีใจพลางตบหน้าของนางแล้วกล่าวว่าหญิงแก่เป็นหมันจะมีลูกพวกเขากล่าวว่าเช่นนั้นแหละพระผู้อภิบาลของเธอได้ตรัสไว้เช่นนั้นถ้าจริงพระองค์เป็นผู้ทรงปรีชาญาณผู้ทรงรอบรู้เสมอ เขากล่าวว่าดังนั้นความมุ่งหมายของพวกท่านคืออะไรเล่าโอ้บรรดาทูดเลอพวกเขากล่าวว่าแท้จริงเราถูกส่งมายังกลุ่มชนผูกระิพวกเขากล่าวว่าแท้จริงเราถูกส่งมายังกลุ่มชนผู้กระทำผิด เพื่อเราจะได้โยนก้อนหินทำด้วยดินเหนียวแข็งลงบนพวกเขาถูกตราเป็นเครื่องหมายไว้แล้วหน้าที่พระผู้อธิบาลของเจ้าสำหรับพวกที่ละเมิดขอบเขนดังนั้นเราได้นำผู้ที่อยู่ในเมืองนั้นจากหมู่ผู้ศรัทธาออกมาให้พน้น และเราไม่พบผูใ้ใดในเมืองนั้นนอกจากบ้านหลังหนึ่งของผู้ที่เป็นมุสลิมและเราได้เหลือสัญญาณหนึ่งไวส้สำหรับบรรดาผู้ที่กลัวต่อการลงโทษอันเจ็บพดวด แในเรื่องของมูซาเมื่อเราส่งเขาไปยังฟิราเาพร้อมด้วยหลักฐานอันชัดแจ้ง แ, ลลแต่ฟิราเราได้ผิลหลังออกไปพร้อมกับบริวารของเขาแล้วกล่าวถึงการทำหน้าที่ของมูซาว่าเป็นนักเล่นกลหรือคนบ้า ดังนั้นเราได้เอาเขาและไพ่พลของเขามาแล้วเราได้โยนพวกเขาลงไปในทะเลโดยที่ตัวเขาถูกปรณะณาม และในเรื่องของอาจเมื่อเราได้ส่งลมพายุที่ทำลายล้างมาอย่างพวกเขามันไม่ได้เหลืออะไรทิ้งไว้เลยเมื่อมันได้พัดกระหน่ำมานอกจากจะทำให้สิ่งนั้นพินาศย่อยยับและในเรื่องของสมุด เมื่อมีผู้กล่าวแก่พวกเขาว่าพวกเจ้าจงสนุกร่าเริงไปชั่วขณะหนึ่งเถิดแต่พวกเขาได้ท้าทายต่อพระบัญชาของพระเจ้าของพวกเขาดังนั้นเสียงกบฏาาก็ได้ฆ่าชีวิตของพวกเขาขณะที่พวกเขาจ้องมองดูอยู่ต่มื่ตั้งใจที่จะรู้วาใครจะเป็นผู้น และพวกเขาไม่สามารถจะลุกขึ้นยืนได้และพวกเขาก็ไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้และกลุ่มชนของนัวก่อนหน้านี้แท้จริงพวกเขาเป็นกลุ่มชนที่ฝ่าฝืน และชั้นฟ้านั้นเราได้สร้างมันด้วยพระหัตถ์ของเราและแท้จริงเราได้เป็นผู้แผ่ให้กว้างไพศาลและแผ่นดินนั้นเราได้แผ่ขยายมันออกไปดังนั้นเราจึงเป็นผู้แผ่ขยายที่ยอดเยี่ยมยิ่งและจากทุกๆสิ่งนั้นเราได้สร้างมันขึ้นเป็นคู่คู่ เพื่อพวกเจ้าจะได้ใขค่ควรลลดรมมบง น, นั้นพวกเจ้าจงเร่งรีบไปหาล้อเถอะแท้ทจริงฉันเป็นผู้ตักเต่อนอย่างเปิดเผยจากพระองค์ท่านแก่พวกเจ้าวลวมมออินอออินน น, นดีุุ และพวกเจ้าอย่าตั้งพระเจ้าอืา่นใดเป็นภาธีต่ออัลลอฮ์ถ้าจริงฉันเป็นผู้ตักเตือนอย่างเปิดเผยจากพระองค์แก่พวกท่านเช่นนั้นแหละไม่มีศาสนาทูตคนใดมายัางบรรดาหมู่ชนปอดหน้าพวกเขาเว้นแต่พวกเขากล่าวว่าเป็นนักเล่นกลหรือเป็นคนบ้า พวกเขาได้สั่งเสียในเรื่องนี้แก่ฉันสตะนั้นนึงเปล่าเลยเว้นแต่พวกเขาเป็นผู้ละเมิดขอบเขตแต่นล้วฉันจะถอยหลังออกจากพวกเขาเถิดแล้วเจ้าจะไม่เป็นผู้ถูกตำหนิ แต่จงกล่าวตักเตือนเถิดเพราะถ้าจริงการตักเตือนนั้นจะให้ประโยชน์แก่บรรดาผู้ศรธาแต่ข้าไม่ได้สร้างยินและมนุษย์เพื่อเงินใดเป็นแต่เพื่อเคารพพักดีต่อข้า ข้าไม่ต้องการปัจจัยยังชีพจากพวกเขาและข้าไม่ต้องการให้พวกเขาให้อาหารแก่ข้าอินนัลลอฮะฮุบบัลวาซัคุลควูติลมาตินแท้จริงอลัลลอฮคือผู้ประทานปัจจัยยังชีพอันมากมายผู้ทรงพลังผู้ทรงมั่นคงแต่อินนัลลิลดีนัดัลลัมูดานูบัมมิดลัดานูบีอัลชาบิห์มฟาลาอิสตาจินู แท้จริงสำหรับบรรดาผู้ประพฤติผิดนั้นเขาได้รับการลงโทษเยี่ยงการลงโทษเพื่อนเื่อนของพวกเขาดังนั้นอย่าได้รีบเร่งให้ข่าลงโทษเลยวียละนล น, รรจจนดังนั้นความหายนะจงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาในวันของพวกเขาซึ่งได้ถูกสัญญาไว้